มีโรงเรียนแพทย์แห่งหนึ่งในประเทศสหรัฐอเมริกาที่ผลิตนักเรียนแพทย์ที่มีคุณภาพของของประเทศเขาที่สถาบันแพทยศาสตร์แห่งนี้แล้วก็มีโรงพยาบาลมีโรงเรียนหมออะไรต่างๆแล้วก็มีห้องสมุดอยู่อันหนึ่งซึ่งห้องสมุดแห่งนี้เป็นห้องสมุดที่รวบรวมสาขาวิชาหนังสือความรู้อะไรเกี่ยวกับทางการแพทย์ไว้มากมายทีเดียว นะต่งางคณะบดีของวิทยาลัยแพทย์แห่งนี้เนี่ยเขาก็เคยทํางานวิจัยอันนี้ออกมาขเขาบอกว่าความรู้หรือว่าหนังสืออะไรต่างที่เขารวบรวมมาเนี่ยมีมากทีเดียวมากขนาที่เรียกว่าถ้านักเรียนแพทย์ของเขาเนี่ยไปศึกษานะคนหนึ่งนะเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยแห่งนีนะ้เป็นนักเรียนแพทย์จบออกมาเป็นหมอเนี่ยก็คงจะใช้เวลาสักประมาณ6ปี7ปีบ้างแล้วแต่คนนะซึ่งตลอดเจ็ดปีตีสักว่าเปี ให้อ่านหนังสือใช้เวลาอ่านวันละ24ชั่วโมงนะไม่ต้องกินไม่ต้องนอนไม่ต้องพักจุ น, ะจนดลา่าเจ็ดปีอ่านมัน7ปีเลยแล้วก็ยังอ่านหนังสือทั้งหมดห้องสมุดของเขาเนี่ยไม่หมดเขาก็เลยมีความคิดว่าโอ้โหความรู้ในใ น, านาสาขาวิชามันมากจริงๆนะสมัยก่อนมีมากอยู่แล้วสมัยนี้เขายิ่งผลิตออกมาเยอะแยะไปหมดเหมือนการรับฟังในในปัจจุบันเนี่ย ความรู้มีเยอะแยะไปหมดไหนคนนั้นก็สอนอย่างนี้คนนี้ก็สอนอย่างนั้นแล้วเปิดทีวีดูเขาสอนอะไรกันบ้างไหนสอนทำกับข้าวก็สอนไหนสอนถักโคเชก็สอนนะสอนสอบเข้าวหมาทยาลัยเปิดวิทยุก็สอนภาษาอังกฤษสอนภาษาเกาหลีสอนดูดวงบ้างโอ้อุปกรณ์อะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดไหนคนนั้นก็พูดอย่างหนึ่งคนที่เขาพูดองค์ความเรื่องของเขาเขาก็เป็นคนสอนไหนสิ่งที่เขาพูดเขาสอนก็เป็นคําสอน แลเราเรียนเราปฏิบัติเนี่ยมีความรู้ใหม่ๆออกมาอยู่ตลอดเวลานักศึกษามาทุที่เลยทุกวันนี้นะคุณฟังเรียนจบมาวันเนี้ยไอความรู้ที่คุณเรียนมาตลอด4ปีบ้าง5ปีบ้าง6ปีบ้างเนี่ยใช้ไม่พอ2ปีหรอกนะใช้อยู่ได้แค่ประมาณปี2ปีมันเปลี่ยนละใช้อยู่ได้แค่สักพักนึแลนะมันเปลี่ยนความรู้นี่เปล่ามันใช้งานไม่ได้ละคุณต้องไปศึกษาใหม่เรียนใหม่และที่ศึกษาใหม่เรียนใหม่นั้น นะมันก็ใช้นได้แค่2ปี3ปี5ปีนะไม่ถึง10ปีหรอกเดี๋ยวก็เปลี่ยนอีกละเนะี้ยเปลี่ยนไปเรื่อยๆเอแล้วถามว่ามันจะมีความรู้อะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งไหมที่เราเราฝึกปฏิบัติแล้วมันจะดีขึ้นมาอันนี้คือพูดถึงในทางโลกนะท่านฝั ง, งในทางโลกในทางธรรมลองดูนะพูดที่เคยฟังธรรมะมาแล้วนะเคยศึกษาธรรมะเคยอ่านหนังสือธรรมะเคยปฏิบัติธรรมะนะเมื่อก่อนเราก็เคยรู้ธรรมะแฮ เออพอเรามาฟังรายการธรรมะจะเป็นรายการธรรมารับรูนก็ได้อ่านหนังสือธรรมะอื่นๆก็ได้แล้วนะเราก็มีความละเอียดลึกซึ้งมากขึ้นใช่ไหมจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งที่เราปฏิบัติไปปฏิบัติไปปฏิบัติไปนะมีความละเอียดลึกซึ้งขึ้นมาอาจจะถึงจุดหนึ่งที่เราอาจจะมีคำถามว่าเ อ, อ๊ะเราจะทํายังไงต่อไปนะเราเราจะต้องเรียนความรู้อะไรต่อไปจากตรงนี้เราไปไหนต่ออย่างในทางมาทอะไรเนี่ยในทางกา ร, รเรียนในทางโลกเนี่ยปีหนึ่งปุ๊บเขาก็เรียนต่อปี2 นะคุณจบอนุมาลแล้วคุณก็ต้องต่อประถมประถม1ถึงประถม6เสร็จแล้วคุณก็ต่อมัธยมนะถ้ามัธยมคุณไปสายอาชีพก็มีสายนี้ก็มีแต่นี้คงจะเปลี่ยนแปลงไปบ้างสอบ ONe น็ตเอเน็ตกอะไรต่างเยอะแยะยยไปหมดนะสอบแล้วก็มีเรียนต่อไปเป็นขั้นๆจนคุณจบปริญญาตรีเรียนต่อเรียนโทปริญญาโทเรียนปริญญาเอกนะถ้าทางการแพทย์คุณก็ไปต่อเฉพาะทางนเรียนสายนั้นสายนี้แล้วยังไงแล้วมันจบที่ไหน แล้วก็มีเรียนต่อไป่ะจบตรงนี้แล้วเออแล้วทํายังไงต่ออะไรต่อไปที่ไหนต่อทํายังไงต่ออันนี้เป็นคําถามที่คนเขาสงสัยสแสวงหาในการที่จะต้องหาคําตอบอยู่ตลอดเวลาผู้ปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันนะเพื่อผู้ปฏิบัติธรรมรู้ทําม้ะบทนี้แล้วแล้วรู้ทําม้ะบทไหนต่อแล้วจะต้องรู้อะไรอีกเพื่อที่จะให้ปฏิบัติได้ขึ้นแตบางคนเปลี่ยนจากสํานักนี้ นวปฏิบัติสานักนี้อ่านหนังสือเล่มนี้แล้วก็ไปอ่านหนังสือเล่มใหม่เปลี่ยนสํานักใหม่เจอครูบาอาจารย์องค์ให ม, กใหม่ก็ทําใหม่อีกนับไปเรื่อยๆแล้วมันจบที่ไหนคือแน่นอนละในทางคําสองพระเจ้าเนี่ยนวจุดจบหมายถึงว่าที่สุดแห่งการปฏิบัติเนี่ยอยู่ที่นิพพานใช่ไหมเพรา ะ, ะนั้นการปฏิบัติไปปฏิบัติไปเนี่ยก็คือเพื่อที่จะให้เข้าถึงนิพพานแต่นิพพานในการปฏิบัติเนี่ยไม่ได้เป็นไปด้วยการที่เราเที่ยวเดินทางไปสํานักนั้นสํานักนี้ เนะีเรียนไปที่นั่นที่นี่อ่านหนังสือเล่มนี้แล้วก็อ่านหนังสือเล่มนั้นเนะหรือว่าครูบาอาจารย์งค์นี้ก็ครูบ า, าอาจารย์ค์นั้นมันอยู่ในใจของเราแล้วทํำยังไงนะีคือเป็นคําถามที่มีกันมากทีเดียวว่าอาจิตฉันสงบแล้วแล้วทำยังไงต่อเนะีจิตฉันเป็นอย่างนี้แล้วแล้วทำยังไงต่อเนะีเหมือนกับเขาเรียนจบป .6 ม .6 แล้วคุณจะต้องไปเรียนที่ไหนหต่อแหมมันมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นไงนี่คือลักษณะทางคําสอนของพระเจ้าที่เรียก ว, ว่าเป็นอกกาลิโก นี่ยคือใช้ได้ตลอดการนี่ยคืออันเดียวนั่นแหละที่คุณทำมาอันอย่างเช่นว่าอะไรถ้าคุณเคยพิจารณ า, เ, าเห็นความไม่เที่ยงเป็นตน้นหรือคุณพิจารณากายเป็นตน้นนั่นลหลายคนก็สังเกตอนานาปานาสติเป็นตน้นบางคนก็พิจารณาถึงความตายเป็นตน้นนัมรณสติเป็นตน้นบางคนก็ระลึกพุทโธเป็นตน้นนะไม่ว่ากระบวนการไหนๆเนี่ยที่ทําจิตของคุณมาให้ถึงระดับนี้แล้วแต่ถึงจุดที่เรียกว่าเออเราพอใจแล้ว เราเริ่มมีความมั่นคงมั่นใจได้ในระดับหนึ่งแล้วคำถามก็มันก็มาแล้วเริ่มมาแล้วแล้วยังไงต่อมันเริ่มมึนท่านฟังมันไม่ใช่สิ่งที่เราจะต้องถามที่เราจะต้องทำนะอย่างเช่นว่าถ้าเปรียบเทียบกับเวลานักวิ่งเนี่ยเขาวิ่งมาราธอนนะเทคนิคการวิ่งมันมันง่ายๆนั่นะคือเอาเท้าซ้ายนําเท้าขวาแล้วก็เอานาวเท้าขวาเนี่ยนำเท้าซ้ายแล้วนะคุณทำไปอย่างนี้เรื่อยๆกิโลเมตรแรกคุณก็ทำอย่างนี้ กิโลเมตรที่2กิโลเมตรที่10กิโลเมตรที่สีนะคุณก็ทําอย่างนี้นะเทคนิคในการตัดถนนก็เหมือนกันนะทำพื้นให้ราบอัดดินให้แน่นเอาคอนกรีตเทปรับสภาพอะไรต่างๆกิโลเมตรแรกก็ทำอย่างนี้กิโลเมตรที่2กิโลเมตรที่สิบยกิโลเมตร 101, 000, ที่ 101,000 ก็ทําอย่างนี้เหมือนกันนะที่มันไม่เหมือนมันก็มีนะอย่างวิ่งรกแรงนี่กิโลเมตรแรกนะกิโลเมตรที่สองอาจจะไม่เหนื่อยนะจะไม่เจ็บนะพอวิ่งไปเจ็บเข่าข้างนี้ พอวิ่งไปอีกปั่นไปก5กิโลสิกิโลเอาไว้ที่เจ็บหายไปเจ็บเข่าอีกข้างหนึ่งในที่เหนื่อยเหนื่อยเพิ่มขึ้นเหนื่อยแล้วผ่าไปตัดปลายคอแห้งมันก็จึงมีความสงสัยต่อว่าเอ๊ะถ้าคอแห้งทํำยังไงเหนื่อยทํำยังไงเจอสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนไปทํายังไงเวลาเขาตัดถนนเนี่ยในเมืองก็สิ่งแวดล้อมอย่างหนึ่งมีเป็นตึกเป็นเสาเฟฟ้าอะไรต่างๆคุ้นผ่านไปผ่านไ ป, ผ, นไปผ่านป่ามันก็เป็นป่าคุ้นผ่านทะเลทรายมันก็เป็นทะเลทรายผ่านริมน้ํามันก็เป็นริมน้ํา เทคนิคการทําเหมือนกันไหมเหมือนเดิมกิโลเมตรที่ที่สิกิโลเมตรแรกกิโลเมต ร, ร, มตรที่ร้อยจนกระทั่งเกือบจะถึงจุดที่ข้อเส้นใช้แล้วก็เหมือนเดิมเทคนิคการทําเหมือนเดิมแต่สิ่งแวดล้อมอาจจะเปลี่ยนไปไอ้สิ่งแวดล้อมที่มันเปลี่ยนไปเนี่ยท่านผู้ฟังมั น, ม, นมันลวงเราทําให้บางทีเรามึนแล้วยังไงต่อ แล้วเป็นคำถามที่เจออยู่เป็นประจำแล้วยังไงต่อฉันทำยังไงต่อฉันจะต้องเรียนอะไรต่อฉันจะต้องรู้อะไรต่อต้องอา่านหนังสือเล่มไหนอีกต้องไปหาใครอีกมันไม่ได้ต้องหาใครจำบ้างมันอยู่ในใจเราทําเหมือนเดิมอะไรที่คุณทำมาแล้วแล้วคุณได้ได้แบบที่คุณได้อาจจะดีบ้างไม่ดีบ้างใช่ไหมถ้ามันไม่ดีเราก็แก้ไขเอาแต่ถ้าเร า, เ ร, ารู้สึกเรามันเราดีพอใช้ได้นะ จิตฉันจากที่มันสงบจากที่ไม่สงบมันก็มาสงบได้จิตฉันจากที่มันวุ่นวี่วุ่นวายเออก็มาพอที่จะเห็นกายมีสติรวมรวมมาอยู่ได้ยามึนท่านววชฟังยามึนว่าเฮ้ยแล้ยังไงต่อก็อย่างนั้นแหละก็ทำแบบเดิมนั่นแหละถ้าคุณพิจารณากายมาก็พิจารณากายต่อไปถ้าพิจารณากระดูกมาก็พิจารณากระดูกต่อไปถ้าพูดโธมากบพุดโธต่อไปนะทาแบบเดิม กระบวนการเดิมมันไม่ใช่แค่นี้ถ้าคุณทําต่อไปต่อไปอาการของจิตจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆแต่ไม่ใช่แค่จิตสนบบางทีมันจิตฟุง้งซ่านสมาธิเสื่อมสมาธิมีเดี๋ยวคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้มีอาการตกหมือนหลุมบรรยากาศบางทีมีการลอยขึ้นมาบางทีาการมีตัวคันมีตัวกระย่งมีตัวเหมือนแตกไปเห็นกระดูกลอยอยู่ข้างหน้าโอ้เยอะแยะไปหมดเต็มฝัง ล้านแนั่นแหละอาการของจิตที่มันจะเปลี่ยนแปลงไปได้เหมือนคุณตัดถนนผ่านสิ่งแวดล้อมไปเนี่ยมันได้ทั้งนั้นมันอยู่ที่ว่าเราตัดไปเส้นทางไหนอยู่ที่ว่ากระบวนการด้วยว่าเราทํากระบวนการไหนถ้าเรากําลังพูดถึงคุณปฏิบัติตามบัญญัติมีมองแนะเราไม่ได้พูดถึงคนที่ปฏิบัติแบบมิจฉาหมากนะถ้ามิจฉาหมากนี่ก็คือไปทางซ้ายแล้วเราพูดถึงคนที่กําลังมาทางขวาปฏิบัติตามริยมัติมี8งแปดพระเจ้าบอกไว้ชัดเจนนะเพื่องถ้าคุณเลี้ยวขวามาแล้ว คือคุณเดินตามทางสมาธิมาแล้วคุณจะผ่านเหวโกรกชันเหวโกรกชันเดินไปอีกหน่อยคุณจะผ่านป่าอันรกชัดคุณผ่านเหวโกรกชันป่าพารกชัดต่ดอไปคุณจะถึงที่ราบรู ม, มันกรเสมเนี่ยเพื่งที่ผ่านไปอีกเอาเราเดินวนกลับมามึนไปผิดทางกลับมาเหวโกรกชันอีกเจอป่ารกชัดอีกเนี่ยเดินไปอีกก็ถึงราบรูนะมันกรเสมเนี่ยมึนอีกกับกลับมาที่ป่ารกชัด นะแล้วก็เหวโกรกชันอีกเราต้องยํา ม, มึนแตนะถ้าเราผ่านปากรกชัดเนี่ยในที่นี้ก็คือเปรียบเส ม, มือนเจ้าพวกนิวรณ์นะเครื่องกลางก้านบางทีฟุ้งซ่านบ้างจิตไม่สงบบ้างอะไรบ้างนะผ่านเหวโกรกชันก็คือหมายถึงพวกการมากุศลต่งหาไอ้พวกนี้เราต้องผ่านมาหมดนะคนที่นั่งสมาธิภาวนาะสังเกตลมหายใจเนี่ยถ้าเราสังเกตลมหายใจอยู่พยายามที่จะมีสติอยู่แล้วเนี่ยมันจะมีอาการพวกนี้อยู่ตลอด นะบางทีสมาธิเราได้ดีก็มีบางทีเอ๊ะเราอยากได้แต่มันก็ไม่ได้ณนะความชํานาญมันยังมีไม่พอวนะเราก็ค่อยๆทําไปเีณนะเพื่อให้มันมีความชํานาญมากขึ้นนะชํานาญในหนทางนะชํนานาญในเส้นทางเราจะชํานาญเส้นทางได้ทํำยังไงก็ทําเหมือนเดิมณก็นะเดินตามเส้นทางเดิมให้บ่อยๆณนะคุณพิจารณาเห็นกายในะเห็นกระดูกบ้างพิจารณาเห็นลมหายใจคือธาตุลมบ้างหรือว่าคุณจะ เห็นความไม่เที่ยงบ้างหรือคุณจะสังเกตความรู้สึกในกายนะีมีความรู้สึกต่างๆในกายเวทนาในกายหรือว่าคุณจะระลึกถึงคุณพระชานะไอกระบวนการวิธีการต่างๆเนี่ยทำให้จิตเราเนี่ยมีความที่เรียกว่าแล่นไปเล่นไปไหนนะสติเนี่ยจิตเนี่ยเป็นธรรมที่แล่นไปสู่สติแล้วนะพอเราฝึกสติมากขึ้นจิตมันจะแล่นไปหาสติพอมีสติแล้วจิตมันจะเล่นไปสู่ความมีมุต ระหว่างที่มันแล่นไปเดินไปเนี่ยมันก็จะผ่านทางต่างๆเหล่านี้แน่นอนนะเวลาผ่านทางต่างๆเราอย่างงงนะไม่ว่าจะเป็นหนทางต่างๆนะอะไรต่างๆเราต้องใช้กระบวนการเดิมนักวิ่งคุณผ่านถนนคุณผ่านขึ้นภูเขาคุณลงภูเขาเขาทําทางวิ่งให้ผ่านไปในปา่านะหรือว่าต้องในทางสะพานถนนคอนกรีตถนนที่เป็นดินเป็นเลนก็วิ่งเหมือนเดิมเทคนิคเดิมนะ เวลาที่ตัดถนนตัดผ่านเข้าไปเส้นทางไหนเขาก็ต้องทําเทคนิคเดิมอาจจะมีรายละเอียดแตกต่างกันบ้างแต่ก็หลักๆแล้วเหมือนเดิมเช่นเดียวกันเราปฏิบัติทําบางทีเรารู้สึกบูบบบางทีรู้สึกคันคันบางทีรู้สึกเหมือนลอยขึ้นบางทีเราเห็นกระดูกตัวเองบางทีมีนิมิตอย่างนั้นนิมิตอย่างนี้นทําเหมือนเดิมทําเหมือนเดิมเหมือนเดิมนี่คือทําถูกด้วยเป่านะทำเหมือนเดิมไอ้ที่ถูกเนี่ยให้ทําต่อไอ้ที่ผิดอย่าทํานะ ที่ทำเหมือนเดิมคือให้ทำไอ้ที่มันถูกอยู่แล้วพอเราทำไปไอ้ผู้นี้ก็จะค่อยๆผ่านไปถามว่าสิ่งที่เราเจออาการของจิตสิ่งววรัลต่างๆมันเป็นอะไรเอาอันดับแรกมันเที่ยงไหมก่อนสิ่งต่างๆแล้นมันเที่ยงไหมถ้ามันมีความเปลี่ยนแปลงเอ๊เราจะสังเกตว่ามันไม่เคยมีมาเลยนะมันไม่เคยมีมามันเพิ่งมามีมาตอนนี้บางคนนั่งสมาธิเนี่ยทำฟังสังเกตลงไว้ใจฟุดฟาดเข้าฟุดฟาดออกเนี่ย สังเกตลมหายใจที่ผ่านลมหายใจของเราผ่านในโพรงจ ม, มูกของเราสังเกตดูเสียสิเพิ่มโอ้จิตฉันมันสงบลงมาไอเดี๋ยวมันกลับไปฟุง้งซ่านอีกบางคิดเรื่องคนนั้นคิดเรื่องอดีตที่ผ่านมาแล้วโอ้จำไม่ได้เลยเพิ่งมาคิดได้บางทีมีรู้สึกอาการคันตกลงไปบ้างขึ้นมาบ้างนะเป็นไปสารพัดร้อยแบางคนก็แอ่นหน้าเอียงหลังเหมือนตัวจะลม้มเอ๊ะเป็นยังไงมาถามอ่นั่นแหะตอบไม่ได้เลยว่าสิ่งเนี้ยสิ่งสิ่งพวกเนี้ยมันเที่ยงหรือเปล่า แนะมันไม่ได้เกิดตลอดถูกไหมมันเกิดบางครั้งแล้วไอท้ที่ทุกครั้งที่มันเกิดตอนที่ถามมันก็ไม่ได้อยู่แล้วแสดงว่ามันมีความไม่เที่ยงมันมีความเปลี่ยนแปลงไปวสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขพระเจ้าถามเราอยู่เสมอสอนให้ตอบด้วย้ว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์แล้วไอ้สิ่งที่เป็นทุกข์เนี่ยบางทีมันทาให้เรากังวลใจด้วยนะ เอ๊ะนี่มันอะไรเอ๊ะทำไมมันเป็นอย่างนี้ฉันเป็นอะไรไหมสุขภาพเช่นจะเป็นยังไงแล้วเช่นต้องทำยังไงต่อไปแล้วคนนั้นเขาเคยเป็นหรือเปล่าถ้าเป็นอย่างนี้เลี๋ยวจะทำยังไงเรื่องนี้มันเกี่ยวกับเรื่องนั้นไหมมันสอดคล้อกับพระสูตรไหนพผู้ชนะอะไรจะบอที่บายได้บ้างหยุดหยุดหยุดเอาอย่างนี้ก่อนไอ้สิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันเที่ยงไหมถ้าไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์ถูกไหมถ้าเป็นทุกข์ใช่มันทำให้เราคงวนใจถูกไหมสิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอัตตตานะคคออบก็ื สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งใดเป็นทุกสิ่งนั้นเป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นควรแล้วหรือหนอที่จะเห็นว่านั่นเป็นเรานั่นเป็นของเรานั่นเป็นตัวตนของเราสิ่งนั้นมีในเราเรามีในสิ่งนั้นสิ่งนั้นเป็นเราเราเป็นสิ่งนั้นไม่ควรเราไม่ควรว่าเห็นว่าสิ่งนั้นเป็นเราไม่ควรเห็นว่าเรามีอยู่ในสิ่งนั้นไม่ควรเห็นว่าสิ่งนั้นมีในเราเพราะอะไร มันเป็นอนัตตาอ้าวทำไมมันเป็นอนัตตาก็มันเปลี่ยนแปลงได้ไงทำไมมันเปลี่ยนแปลงได้เพราะมันไม่เที่ยงไงเราเห็นไหมเราว่ามันไม่เที่ยงไอ้สภาพต่างๆที่เกิดขึ้นในจิตของเรานะสุขบ้างทุกบ้างสงสัยนั้นบ้างสงสัยนี่บ้างอันนี้วูบลงไปบ้างอยาได้แล้วไม่ได้บ้างเมื่อก่อนได้ทำไมอย่างนี้ไม่ได้ก็มันเที่ยงเวละถ้ามันไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งได้เป็นทุกสิ่งนั้นเป็นอนัตตาสิ่งได้เป็นอนัตตาสิ่งนั้นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่่ใชตตัวนของเรา สิ่งใดไม่ใช่ของเราเราละมันเสียสิ่งใดไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียแม้อาการเหล่านั้นเราก็ไม่ควรเจนว่าเป็นตัวเราเป็นของเรามันมีในเราก็ไม่ควรเห็นว่าเป็นเป็นอย่างนั้นเแล้วถ้ามันเกิดอีกจะทาไงก็บอกอยู่นี่ไงว่าให้ละเสียเอาแล้วจะทำไงต่อไปก็บอกอยู่นี่ไงก็ให้ทำเหมือนเดิมทำเหมือนเดิมที่คุณได้มาตรงนี้คุณได้มาอย่างไง คุณทำจิงคุณให้สงบได้ยังไงเราต้องเป็นผู้ฉลาดในหนนต่างนะเพื่อนฟังวัยรุ่นสมัยนี้เอาวัยรุ่นสมัยก่อนก็เหมือนกันวัยรุ่นสมัยพุทธกาลก็เหมือนกันนะวัยรุ่นที่ชอบการแต่งตัวนะถ้าเป็นสิวที่หน้าเนี่ยเขาจะต้องเรียกเอาหน้าเขาเนี่ยไปส่องดูที่แว่นส่องหน้าหรือในภาชนะน้ําที่บริสุทธิ์หมดจดใสสะอาดถ้าเห็นสิวหรือต่อมที่หน้าก็าจะต้องรีบบีบออกสมัยวัยรุ่นสมัยพุทธกาลเขาเป็นยี้วัยรุ่นสมัยปัจจุบันเป็นอย่างนี้หรือเปล่า แต่ถนะ้าฟังที่ผ่านวัยรุ่นมาแล้วตอนสมัยตัวเองเป็นวัยรุ่นอยู่เป็นยังไงแตนะ่ถ้ามีสิวมีอะไรเนี่ยมันไม่ได้ต้องส่องดูซะหน่อยนะมันเป็นยังไงแตนะ่ถ้าบีบออกได้บีบออกแตนะ่ถ้าบีบออกไม่ได้อาจจะให้คนอื่นช่วยบีบแตนะ่ถ้าทนอยู่ได้ก็ทนไปนะแต่ว่าจะมีความไม่สบายใจถ้าเอาออกได้จะเอาออกนะเหมือนกันนะเพราะอะไรเพราะว่าวัยรุ่นนั้นเขาจะต้องดูแลรักษาหน้าของตัวเองผู้ปฏิบัติก็เหมือนกัน ผู้ที่ศึกษาในทางคำสอนของพระเจ้าก็เหมือนกันจะต้องรู้จักดูแลจิตของตัวเองถ้าเราไม่ฉลาดในมาราจิตของผู้อื่นแม้เราจะคิดว่าเออให้คนนั้นมารู้วาราจิตเอาซี่คณนี้เขารู้ว่าราจิตคนนั้นรู้วาราจิตช่วยอ่านจิตฉันหน่อยบอกว่าจิตไหนว่าฉันจิตฉันเป็นยังไงปะถเอ๋ยถ้าคุณไม่ฉลาดไม่อ่านจิตของผู้อื่นไม่ได้คุณนั่นแหละต้องรู้วาราจิตของตัวคุณเอง ถ้าจะให้ครูบาอาจารย์หรือว่าใครที่เขามีความรู้พิเศษมารู้ในวราระจิตของคุณนะเขาก็รู้เฉพาะเวลาที่คุณไปตามเขากลับบ้านไปแล้วมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งบางคนนี่ไม่รู้ด้วยซ้ําว่าตัวเองคิดอะไรนะเดินผ่านธรณีประตูขึ้นมาความคิด4ี่ห้าความคิดไหลผ่านขึ้นมาแล้วดีบ้างไม่ดีบ้างยังไม่รู้ตัวนะบอกให้ทราบก็ยังไม่รู้ตัวอา้าแล้วจะถามว่าจะแก้ยังไงถ้าตัวเองไม่รู้ว่าตัวเองจะต้องแก้ยังไงเนี่ย หรือว่าตัวเองไม่รู้ว่ามีปัญหาอะไรยังไงมันแกาแก่ไม่ได้เพราะทำมาไวันยนี้เติมฟังเป็นของที่รู้ได้เฉพาะตนพูดย า, ยากหน่อยก็คือสันทิติโกพูดง่ายๆหน่อยก็คือว่าคุณทําแล้วคุณจะรู้เองคุณทําแล้วคุณจะต้องรู้เองพูดให้ง่ายลงไปกว่า น, นั้นอีกนะเติมฟังก็คือว่าคุณต้องทําคุณต้องรู้จิตของตัวคุณเองถ้าคุณไม่รู้จิตของตัวคุณเองโอ้จะให้ใครมาดูอ่ะนะพระรู้จนะ่าเวลาตัสัตวรู้ตัสรู้จิตใคร ก็จิตของพระองค์เองพระโมคคลลานะพระสารีบุตรหรือว่าใครก็ตามก็ไม่ได้ตรัสรู้ตามบุรุทเจ้าไม่ได้ตรัสรู้ตามนะครับฟังคือตรัสรู้ของจิตของท่านเองของจิตเหล่านั้นเหล่านั้นเองตามใครตามธรรมวินัยใครประกาศพระพุทธเจ้าประกาศเอาไว้ตามธรรมะวินัยที่บุรุทเจ้าประกาศไว้แล้วธรรมานี้สอนเรื่องอะไรสอนเรื่องจิตจิตของใครก็จิตของคุณ จงท่ผู้ฟังจิตของตัวข้าพเจ้าจิตของพกเราทั้งหลายเหมือนกันเป็นสันติโกเป็นสิ่งที่เรารู้ได้เฉพาะตนเราทําแล้วเรารู้เราต้องทําเราต้องให้รู้จิตของตัวเราเองแล้วถ้าเราจะมาจ้างให้คนอื่นเข้ามาตามคอยเตือนเร า, าคนอาจจะคิด ว, ว่าไอ้ถ้าฉันคิดไม่ดีนะเธอช่วยเตือนฉันหน่อยนะเพื่อนนะหรือว่าสามีอาจจะให้ภรรยาช่วยเตือนเออนี่เราไปปฏิบัติธรรมแล้วแหมถ้าฉันคิดไม่ดีเธอช่วยเตือนฉันหน่อยนะหรือว่า ภรรยาจะให้สามีเตือนนั้นะลูกพ่อแม่จะคอยเตือนลูกนั้นะต่อให้เขาเตือนมันก็ไม่ได้อยู่กับเราตลอดยี่บสี่ชั่วโมงนั้นะต่อให้คุณจ้างคนมาเตือนนั้นะจ้างเลขามาเตือนเอา้านะังเลขาคนที่เขาจะมาตามคุณก็ยังมีเวลาจำกัดอยู่แค่8ดชั่วโมงเขาทำงานได้เอาเราจ้างสามกะเลยอย่าี่บสี่ชั่วโมงแตนะ่เขาก็ไม่ได้ตามคุณเข้าไปห้องน้ำอยู่ดีบานที่เราเข้าไปห้องน้ำคิดบ้าบอหน้าไม่ฉลาดว่าเลืิตตัวเองคิดนั่นนี่โ น, น่น เขาก็ไม่ได้ตามคุณเขาไปห้องนเอาต่อให้เขาตามคุณเขาไป้องน้ำคอยเตือนนตว่าคุณจะอย่าคิดไม่ดีอย่าพูดไม่ดีอย่าทำไม่ดีนะเขาเขาไม่ได้ตามคุณก็ไม่ได้ฝันอยู่ดีต่อให้เขานอนด้วยกันกับคุณเขาก็ไม่ได้ตามคุณเขาไปในฝันไม่ได้จะไปบังคับคุณว่าฝันเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้มันจิตของเราท่านผู้ฟังถ้าเราไม่เตือนตนด้วยตนถ้าเราไม่เตือนจิตขอเราด้วยเตือนจิตของเราเองนะโดยใช้คําสอนของพระพุเานี่ยเป็นบารฐานเป็นพื้นฐาน เป็นแนวทางโดยการปฏิบัติตามระยะม้ามีองค์แเนี่ยเราจะไปไม่ถูกเราจะไปไม่ถูกสิ่งที่เราต้องมีเป็นที่พึ่งคือประพุทธพระธรรมประสงค์นั่นคือองค์ความรู้นั่นคือประพุทธนั่นคือการที่เราจะต้องมาปฏิบัติตัวในตัวของเราเองนั่นคือประสงค์ปฏิบัติแล้วเรามีความรู้มีพุทธะเกิดขึ้นนั่นคือพุทธะอยู่ในใจของเราสามอีกครั้งหนึ่งตามมาฝังเราปฏิบัติเนี่ยเพื่อที่จะให้รู้เดีเพื่อให้ฉลาด ในวราระจิตของตัวเราเองตามแนวทางของอะไรแนวทางในองความรู้คือธรรมานี้แนวะทมีหลักเกณฑ์มีแนวทางชัดเจนให้อยู่แล้วนั่นะคือระยะมัสมีองแปดแล้วนะเราปฏิบัติตามทางนี้ไปการปฏิบัตินั่นแหละคือสงแล้วนะคือการที่เรามาปฏิบัติในใจของเราแล้วบางทีมาเจอสิ่งนั้นเจอสิ่งนี้แลนะ้เรามีความรู้เกิดขึ้นความรู้นั่นแหละคือพุท ธ, ธพุธโทโธที่เกิดขึ้นในใจของเราอย่ามึนอย่ามึนแต่ให้มั่นใจในมัค ในข้อปฏิบัติให้มั่นใจในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในมัตตในข้อปฏิบัติอย่าไปมึนว่าแล้วยังไงต่อแล้วอย่างงี้ทำยังไงต่อเป็นอย่างนี้เราจะเป็นอย่างนั้นไหมแล้วนี่มันใช่อันนั้นหรือเปล่ามันน่าจะใช่หรือมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้มันอาจจะตันหรือมันาจะถูกหรือมันาจะผิดก็ได้แต่ถ้าเราเห็นว่าสิ่งนั้นนเป็นสิ่งที่เป็นอนัตตาเพราะอะไรเพราะมันไม่ได้เกิดตลอดเวลามันเกิดก็มีมันดับก็มี ถ้าอะไรเป็นอย่างนี้อันนั้นเป็นอนัตตาอะไรเป็นอนัตตาอันนั้นไม่ใช่ของเราเราไม่ได้มีในนั้นนั่นไม่ใช่ได้ MM ไมีในเราตัวเราไม่ได้มีอันนั้นอันนั้นเป็นสิ่งที่มันผ่านมาแล้วก็ผ่านไปสิ่งใดผ่านมาสิ่งใดผ่านไปนั่นไม่ใช่ของเราสิ่งใดไม่ใช่ของเราเราทำยังไงเราก็ลามันเสียเราก็ลามันเสียแล้วเราทาอะไรเราก็ปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาของเราให้มันละเอียดลงไปให้มันดีขึ้ right. นไปศีล ก็มีที่ละเอียดลงไปสมาธิก็มีที่ละเอียดลึกซึ้งลงไปผูป้ช า, าใช้คําว่าอธิศีลนะคือศีลที่ยิ่งขึ้นไปอธิจิตคือจิตที่ยิ่งขึ้นไปอัติปัญญาคือปัญญาที่ยิ่งขึ้นไปนะให้มันละเอียดลึกซึ้งขึ้นไปเหมือนล้างตองกรรมามท่านฟังล้างแล้วล้างอีกล้างแล้วล้างเอาเจสิตธีลอันนี้ทํายังไงทํำยังไงท่านฟังคิดว่าก็ทิ้งมันไปแล้วทำไงก็ล้างอีก อะไรเป็นเครื่องล้างอะไรเป็นเครื่องขูดเก่าอาริยมากมีองค์แปนี่ท่านฟังเป็นเครื่องล้างเป็นเครื่องขูดเกา่าล้างอะไรล้างกิเลสออกมาไงกิเลสมันออกมาทำให้เรามีคิดอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ปวดตรงนั้นเจ็บตรงนี้ความคิดนี้ขึ้นมาวูบหน้าวูบหลังคันตรงนั้นมึนตรงนี้คิดไปโน่นคิดไปนี่อันนั้นเป็นอะไรเป็นสิ่งที่ออกมาจากจิตของเราเป็นการปรุงแต่งต่างจิตเราต้องรู้ทั่ว ซึ่งการปรุงแต่งของจิตหายใจเข้าหายใจออกเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งการปรุงแต่งของจิตแล้วไงก็ต้องทำการปรุงแต่งของจิตนั้นให้ระงับทำการปรุงแต่งของจิตนั้นให้ระงับแล้วเราจะเห็นอะไรเราจะค่อยเห็นจิตมากขึ้นในเห็นจิตมากขึ้นเราก็จะเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตเป็นรูปผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตแล้วว่าจิตก็อันหนึ่งนะความคิดต่างๆเหล่านั้นก็อันหนึ่งนะ จิตเราก็อันหนึ่งนะลมหม่ใจก็อันหนึ่งนะจิตเราก็อันหนึ่งนะกายเราก็อันหนึ่งนะมันแยกกันไปแยกกันไปอย่างนี้เวลามีอะไรมากระทบอันนั้นไม่ใช่จิตของเราไม่ใช่จิตของเราเราทำยังไงเราก็ทะละมันเสียแม้แต่จิตของเราเองก็ตามแต่ที่เรารู้เราเห็นเราดูเราพิจารณามันอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเราก็จะต้องเห็นมันโดยความดีไม่ใช่ตัวตนเพราะอะไรเพราะจิตของเรามันก็เกิดมันดับได้จิตของเราดวงนี้แหละท่านฟัง ที่เป็นไปอย่างนี้แล้วก็เป็นไปอย่างอื่นพลิกผันอย่างนี้พลิกผันอย่างอื่นถ้าุณเคยเห็นคนเล่นมายากลเขาเล่นมายากลกันอยู่ตามสามแยกสี่แยกบางสมัยนี้เขายิ่งเล่นมายากลกันเนี่ยนะเขาจัดเป็นเวทีอะไรต่างเอาช้างเดินออกมาตืมๆแล้วก็ทำช้างหายไปทั้งตัวทําเครื่องบินหายไปทั้งลําน้าทําตัวเหมือนทะลุ ก, กําแพงได้หายโปรไม่อีกข้างหนึงเสกอันนี้ขึ้นไม่ได้ทําอันนี้หายไปได้โอ้โหมันเหมือนยังกมีเวทมนต์จริงๆ เนะ่ซึ่งตรงเนี้ยถ้าเรารู้ทริครู้กรรมวิธีของเขาแล้วโอ้มันหลอกกันนี่น่ะเหมือนคนเล่นมายากลนนะีเขาเอาไพ่มาให้คุณเลือกไพ่ใบหนึ่งหรือคุณเลือกไพ่ใบหนึ่งเขาสลับไพ่ถามคุณสองสามคำสลับไพ่ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเขาจะรู้ว่าคุณคิดอะไรคุณเลือกไพ่อะไรถ้าเราไปคิดว่าโอ้คนนี้มีอ่านวาทจิตเราได้เจ๋งจังเลยคุณถูกเขาหลอกเพราะอะไรนั่นคือมาอยากลมันเป็นทริค มันเป็นมายามันเป็นสิ่งที่ไม่จริงมันเป็นสิ่งหลอกลวงมีความหลอกลวงเป็นธรรมดาจิตของเราเป็นอย่างนั้นจิตของเราเป็นอย่างนี้ถ้าเราถูกเขาหลอกด้วยผ้าเนื้อเหลวเปื้อนกระหม่อมวันนี้เป็นผ้าเนื้อขาวเนื้อดีปราศจากมลตินเป็นกองสะาเราเราควรจะต้องเห็นใ้มันถูกจำเง็นฟงเราไม่ควรจะต้องเห็นผิดสิ่งใดสิ่งใดก็ตาม นีที่มีความเกิดเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมันดับไปได้สิ่งใดที่มีความเกิดเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับไปเป็นธรรมดาเวลาที่เราปฏิบัตินะขอให้เราปฏิบัติให้ถูกต้องตามมัตสตามศีลสมาธิปัญญานีศีลคุณมีหรือเ่าศีลไม่ได้ยากเลยเนะียท่านฟังนะแค่ว่ารักษาศีลให้ได้ไม่ค่าสามไม่รักษาไม่รู้ผิดในการไม่กล้นก่าวเทศศีลอันเป็นไปเพื่อสมาธินะี่ยศีลที่ไม่ถูกตันหาและที่ถือรูปคล้ำง่ายไหม ง่ายมากไม่ได้ยากคือมันยากสําหรับคนชั่วอยู่แต่ว่าง่ายสําหรับคนดีถ้าคนดีเราทําเอาเราทําอาจจะไม่ละเอียดอาจจะมีแง่มุมตรงนั้นแง่มุมตรงนี้เราก็ค่อยแก้ไขเอาเรื่องของจิตละ่ะสมาธินั่นเข้าได้หรือยังเข้านี้เข้าได้หรือยังเราทําไปแล้มีสติก่อนอะไรใช้อะไรดีลมหายใจก็ได้แต่คุณจะระลึกถึงพระาก็ได้คุณจะระลึกถึงพระธรรมก็ได้คุณจะระลึกถึงความดีของตัวเองก็ได้ระลึกถึงสีของตัวเองกับเป็นสีลานสติ หราลึกถึงทานการบริจาคที่เราเคยบริจาคมา ก, ก็เป็นจากขาโนสติกเราทําไปเนี่ยเวลาวาระจิตของเราเนี่ยท่านฟังมันเร็วยิ่ยงกว่าคําพูดของข้าพเจ้าอีกข้าพเจ้าคิดว่าข้าพเจ้าพูดเร็วใช่ไหมไอ้จิตของท่านผู้ฟังเนี่ยหรือจิตของตัวข้าพเจ้าเองจิตของตัวทุกๆคนเนี่ยทำงานเนี่ยมันวับ ว, บวบัเร็วมากมันหลอกเราเร็วมากเหมือนเขาสลับไพ่วับวัวั บ, ว บ, วบแต่เขาดึงออกไปใบหนึ่งละ้ะเราไม่เห็นเลยเราไม่ทันเพราะมันเป็นมายากนจิตของเราเนี่ยแหละ แตถ้าเราเห็นจิตของเราแล้วดูมันด้ดีๆแม้จิตดวงนี้ก็มีความไม่เที่ยงเป็นธรรมดาไม่ว่าจะเป็นดวงที่เห็นภาพได้ยินเสียงรับรู้กลิ่นริมรสสัมผัสทางกายต่างๆและมีความเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างนี้มีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นให้เราปล่อยวางเขาซะให้เราเห็นตามที่เป็นจริงอย่างนี้การปบัของเราจะก้าวหน้าได้ถ้าก้าวหน้าไปแล้วมีสภาวะใดๆเกิดขึ้นในใจก็ตาม สบาว่าทำนั่นนั้นทั้งหมดเป็นกองไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งใดเป็นทุกสิ่งนั้นเป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นไม่ใช่ของเราสิ่งนั้นไม่ใช่เป็นเราสิ่งนั้นไม่ใช่ตัวตนของเราสิ่งนั้นไม่ได้มีในเราเราไม่ได้มีในสิ่งนั้นสิ่งนั้นไม่ได้เป็นของเราเราไม่ได้เป็นของสิ่งนั้นสิ่งใดไม่ใช่ของเรา สิ่งนั้นเราก็รักเขาซะปล่อยคืนเขาไปกับสังสารวัตรไม่ใช่ของเราที่เราควรจะต้องยึดตือเอาไว้เปรียบเหมือนกับพว่วงแป่เปรียบเหมือนกับเศษหญ้าเศษไม้เนี่ยที่อยู่ในตามป่าตามเขาก็จะกวาดหญ้ากวาดใบไม้ในที่วัดนี่ตอนบ่ายสามวถุพระก็จะอไปกวาดลานวัดอะไรต่างๆกวาดเศษใบใบมาแล้วก็จะมีคนมาเผานคนวัดก็จะมาเผาให้ เราก็ไม่ได้รู้สึกว่าเขาเผาแขนเราเพราะเผาขาเราเขาเผาสิ่งในในของเราเพราะสิ่งนั้นไม่ใช่เป็นเราหญ้าใบไม้ก็ไม่ใช่ของเราเหมือนกันจิตไม่ใช่ของเราตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ใช่ของเราเป็นสิ่งที่มีปัจจัยปรุงแต่งปัจจัยปรุงแต่งมาจากอะไรนะก็มาจากกรรมเก่าบ้างมาจากอาหารบ้างที่มันสร้างเป็นกายนี้ขึ้นมามาจากสิ่งแวดล้อมบ้างคนนู้นบ้างคนนี้บ้างเป็นสิ่งที่มันประกอบกันขึ้นมา เราเห็นอย่างนี้แล้วนไม่ว่าสภาวะธรรมไหนก็ตามเราจะผ่านไปได้เราจะปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาได้ให้เห็นสาระสําคัญนั่นคือเรื่องของมรรคให้เห็นสาระสําคัญนั่นคือการทําอย่างต่อเนื่องให้เห็นสาระสําคัญนั่นคือการทําอย่างติดต่อไม่ขาดสายมีความเข้มงวดสม่ําเสมอในเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องอธิศีลเรื่องอธิจิตเรื่องอธิปัญญา ขอบเจ้าพระภัยบูญอภีปุณโนจากวัดป่าดอนหายโศกก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้จเจริญบ่อน